นี้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัต t นี้ก็ควรจะมองดูให้เห็นอย่างแจ่มชัดชัดเจนว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติในขณะไหนที่ว่าปฏิบัติอย่างไรนั้นก็ได้อธิบายมาแล้วข้างตน้นว่าปฏิบัติอย่างที่ไม่เกิดแห่งตัวตนแต่ว่ายังไม่ชัดเจนต้องอธิบายพร้อมกันไปกับข้อที่ว่าจะปฏิบัติในโอกาสเวลาไหน ในขณะไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งแยกการปฏิบัตินี้ว่ามีโอกาสปฏิบัติในขณะไหนบ้างให้เห็นชัดเป็นโอกาสโอกาสออกไปในที่นี้จะขอแบ่งเพื่อให้เห็นง่ายๆสัก3ามโอกาสหรือสมขณะคือ 1. ในขณะตามปกติหรือโอกาสที่เป็นปกติอย่างหนึ่ง 2ในขณะที่มีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางผิวหนังเป็นต้นนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่สองแล้วสอีกขณะหนึ่งซึ่งขอพนวกเข้าไว้เลยนี่คือขณะที่จะดับจิตที่เราเรียกว่าโอกาสจะตายคือตายทางร่างกายตายชนิดที่เป็นความแตกดับของร่างกาย ขณะที่จะตายอย่างนั้นมีการปฏิบัติสำหรับโอกาสนั้นอีกขณะหนึ่งนี่ยหละขอทบทวนใหม่ว่าขณะที่ไม่มีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูนี้อย่างหนึ่งและในขณะที่มีการกระทบกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วอีกขณะหนึ่งก็คือขณะที่จะดับจิต คือตายอย่างชาวบ้านเรียก